การนั่งสมาธิภาวนาให้พากันเรียนแบบพระพุทธเจ้าเรียนแบบอื่นแล้วก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านวางแผนไว้เรียบร้อย ไม่ใช่นั่งสมาธิแบบเลื่อนลอยเมื่อพระองค์อยู่ในคารวาตญาตโยมอายุได้ยี่สิบเก้าปีก่อนบว่าเป็นคนใหญ่รู้จักผิดถูกชั่วดีตามธรรมชาติ แล้วท่านก็ได้เห็นนักบวชสมัยเสด็จผ่านไปมาว่านักบวชนี่แหละเป็นทางที่จะออกจากทุกได้เมื่อท่านมีโอกาสก็จะถือแบบนักบวชนี่แหละแต่นี้เมื่อท่านจะออกกินกินท่านวางแผนของท่าน เรียกว่าลึกลับพุทธบิดาพระเจ้าสุธโธธนะก็ไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จออกบรรพชานางโคตมีแม่น่าแม่เลี้ยงป้อนเข้าให้น้ำนมก็ไม่รู้คือพระองค์ไม่บอก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 หน้าตาจะได้ใหญ่โตมโหฬารว่าลูกชายได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสิรันเป็นใหญ่ใหญ่ตั้งแต่ลัเซียจนถึงอเมริกาแต่พระองค์ไม่ฟังหางเสียงใครทางนั้นวางแผนเสร็จเรียบร้อยว่าจะออกเวลาไหน คนทางหลายจึงจะไม่มีอุปสรรคแม่นายันนะนายมาก็ไม่บอกเมื่อพระองค์คิดได้ว่ามนุษย์นั้นเที่ยงคืนมันก็นอนหลับจะออกแต่หัวค่ำก็ไม่ได้ จะออกจวนแจ้งสว่างมันก็ตื่นนอนเที่ยงคืนมันนอนหลับหมดทุกคนส่วนมากพระองค์ก็เอาเที่ยงคืนแต่ไม่ได้บอกนายฉันนะพอจวนจะเที่ยงคืน ยังเหลืออยู่ประมาณสักสามสิบนาทีก็ไปบอกนายชันนะเลยว่าให้ลุกขึ้นแต่งมาเราจะออกโบสแล้วห้ามพูดห้ามคุยอะไรทั้งนั้นนายชันนะก็ไม่มีอะไรไปแต่งมาเลยเช็ดเล้าก็มาบอกมาเรียนมาทูล ล้วองค์ก็ขึ้นมาเลยขี่ไปเลยแล้่ก็คงจะในขณะที่บอกนายสันมันแล้วก็จะไปบอกนายประตูตามธรรมดาประตูพระราชวังมันต้องมีคนเฝ้าให้เปิดประตูแล้วก็มาให้พูดอะไรเกินไปเราจะออกบวช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 ก่อนหยุดพักเลยมันล้วองค์ก็ตัดเกศล่ะตัดเกศตัดผมตัดเกศาด้วยพระขันไม่มีมีดโกนมีดโกนหนวดมันสมัยนี้หรอกเอามีดแบบตำรวจทหารมันแขวนไว้ในแอววแล้วตัด ผมแขกก็แบบเดียวกับผมจีนเดียวผมผมปีนนั่นเองแ่ะม้ว น, นมากระตัดที่เดียวกัะเสียงทายว่าถ้าข้าไปเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธทเจ้าจริงๆก็ยาให้เส้นเกสานี้ทั้งหมดตกลงแผ่นดิน หายขึ้นไปสู่อากาศมันโยนออกไปโยงไฟก็เทวดาพันมีเทวดาที่พวกเราว่าไม่มีเทวดาไม่มีมันมีอยู่เทวดาพันเอาพานคอยรออยู่แล้วเอาไปสร้างเจดีไว้ที่ธาต์เกศแก้วจุลมณีแต่เพันไมาได้สร้างแบบมนุษย์สร้างมันแล้วว่า หนเม็ดออเป็นพระเยดีตามตำนานว่ามันเป็นทรงกลมถ้ามองทิไดไหนก็เหมือนพระพุทธรูปเป็นรูปพระพุทธรูปก็ว่าได้แต่มันเป็นทรงเยดีถ้าเกตแก้วก็ไปไว้ที่นั้นโดนพระองค์ก็ถือเทปเป็นหนักโบสถ์หรอือไม่ ดูจะอาบน้ำําละกายเสียก่อนถือเพี้เป็นนักบวชสมทานตัวเองว่าตั้งแต่นี้ไปพระเจ้าจะเป็นพระฤาษีเป็นนักบวชไม่ใช่เป็นลูกเท่าพยาหม า, หากริย์อะไรเป็นนักบวชองหนึ่ง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 มันแสนลูกมันรู้ว่าเอ๊นายเราจะไม่กลับเลยมองดูสีตากตัดผมเปลี่ยนเทศจะไม่กลับแล้วนะเลยกั้นใจตายว่าตามตำนานมาพระที่นั่งนะกั้นใจตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ท่านตาวติงสา ออกลับแต่นายฉันนะนายมาพระองค์ก็เดินทุ่นลงองเดียวละมันเข้าในเขาหิมาลัยถ้ำ ท, ที่ไหนพระองค์ก็ไปภาวนาเขาที่ไหนสูงที่สุดยอดตอวโลกพระองค์ก็ไปภาวนาบนน้ําแข็งก็ไปภาวนา ทะเลสานั่นแข็งไหลลงมาเป็นทะเลสาบก็ไปภาวนาจนปลุกมละเขาในประเทศอินเดียได้หกพันสา์ก็พอดียอายุของพระองค์ได้สามสิบห้าจึงได้เสด็จลงมาภาคกลางอินเ อ, อินเดีย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 คนกรุงรัชครืดไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผู้ชายสวยงามปุริสาลักษณะไม่เคยปรากฏผ่านไปนั้นแม่แต่คนเดียวพอเห็นเข้าก็ตื่นเต้นกันทั้งหญิงทั้งชายทำการงานยังบ่นได้แล้วมันตื่นเต้นแก่ จึงไปทูนพระเจ้าพิมพิสารเว่าจะเป็นคนหรือเทวดาก็ไม่รู้มาบินธบาตมาในเมืองเพื่อให้พระองค์รู้พระเจ้าพิมพิสารก็ตัดบอกพวกบริวาลว่าให้ไปดูห่างๆถ้าเป็นคนเมื่อท่านได้บินธบาตแล้วท่านเกิดคงจะไป ขันบินธบสว่วยอาหารที่ใดที่หนึ่งลิม น, น้ำแหละถ้าเป็นเทวดาก็จะหายไปไมไม่ไม่ปรากฏลาดบุรด์ก็ตามดูพอได้อาหารพอถันแล้วท่านก็ไปที่น้ำน้ำที่นั่นเรียก ว, ว่าตะโปธาลาม เป็นน้ำร้อนน้ำอุอ่ไหลจากผููเขาพระองค์ก็ไปฉานที่นั้นก็ไม่ไกลจากนันทไลยัยจากวังของพระเจ้าพินพิสารพอเขาเห็นอย่างนั้นแล้วก็ไปทูลพระเจ้าพินพิสารว่าถ้าจะเป็นมนุษย์แท้เดี๋ยวนี้อธรรมกำลังฉันยินธรรมบาดกินข้าวโยกที่ลื่มน้ํา เจ้าพินพิสารเแลานั้นมันก็ไม่มีรถมีลาเหมือนสมัยแครอินเดียนี้ก็คงใสรม้านั่นนะละถมาาขีมา ก, ก็ลอกไปก็ล็อกอก็ล็ อ, ก, ล อ, ก, ลอกันนะไปถึงก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมแล้วก็ตัดถามว่าไปอย่างไดมาอย่างได พระพุทธเจ้าของเราก็บอกว่ามาจากกรุงกบินละพันเพราะว่ากรุงกบินละพัทพระเจ้าพิมพิสารก็รู้ไว้ก่อนแล้วว่าพ่อแม่เป็นมัดเป็นเสียวทหายกันไว้ชื่อสีตถาลาชกุมมา เป็นเสียวเป็นสหายกันพอได้ข่าวว่าเสียวสหายมาก็เลยบอกบอกโทนบอกว่าเออไม่ทอดไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันมาเราวป็ดีล่ะจะแบ่งแผ่นดินหรือ แ, แบ่งเมืองให้ครึ่งหนึ่งไปสมัยนั้นเพื่อนทำไรทำนาเน ไม่ดเก็บภาษีเหมือนรัฐบาลสมัยนี้ทำไรทำานาแบ่งแผ่นดินกันแบ่งรับสฎรตามแผ่นดินอาพุตเจ้าของเรานะยังไม่ได้ตัดก็ตามแต่ท่านไม่เอาแล้วท่านบอกว่าเออจะให้อยู่นั่งอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นแบบคนเป็นนักบวชแล้ว กำลังแสวงหาที่ภาวนาดีๆจะได้จัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าเสยทีมุ่งหมายอย่างนั้นจะให้อยู่ขระวาดญาติโยมอย่างนี้ไม่เอาละสละมาแล้วจากกรุงกบิลพัทแล้วก็สละมาได้ตั้งหกปีแล้วไม่ต้องการอะไรอย่างพระองค์อีกแล้วครับ พระเจ้ากิมพิสารก็ฉลาดเออถ้าพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ไปภาวานานได้ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้มาโปรดข้าด้วยพระองค์ก็เออได้ทามันได้ตัดสูลพระองค์ก็ลาพระเจ้ากิมพิสารกันเดินทางต่อไปที่ว่าหกสิบกิโล เมื่อไปถึงก็พอดีได้ไปสันนางให้เข้านางเองสี่สิบเก้าขอก่อนพอฉันแล้วก็เชียงถาดเชียงถาดในแม่นำ้ำไกลๆต้นโพน้วก็ไปถึงต้นโพ มันเป็นเหตุบังเอิญ น, นะตามตำนานว่าต้นโพตนนั้นก็งอกขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันกับประพุติเจ้าของเราอายุต้นโพก็ได้สามสิบห้าปีกำลังสวยงามเป็นลมเลาดีที่สุดองค์ก็ถามจังหันแล้วก็เสวยอาหารแล้วก็ไปอยู่นั่นตลอดวัน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 จนเย็ยน็นก็ไม่ไปไหนคงจะนอนที่นี่แน่จึงมีศรัทธาไปเกี่ยวเอาย่าคามาได้แปดกรรมมาถวายพระองค์กรรับเอาย่าคาแปดกรรมมาปูนั่งภาวนาปูนั่งด้านทิศตะวันออกของต้นไม้โพนั้น ไม่โพนี่ได้ชื่อภายหลังแต่ก่อนเขาเรียกไม่อะไรก็ไม่รู้พอพระพุทธเจ้าตัดโพธิญาณแล้วก็เรียกว่าไม่โพธิหรือไม่สลีภาษาจีนแล้วเขาเรียกไม่สลีคือสลีโะด้วยษีโซคอรอสลออีเขาอ่านมดทุกตัวไม่สลี ไม่สีมาหาโพธิ์เองะเวลาเข้านั่งที่พระองค์ปูอาสนะด้วยยาคาทั้งแปดกรรมก็นั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยเพียงโปรแกรมใหม่แต่ก่อนนั่นนั่งแดดไหนนับไม่ทวนมาบัด น, นี้แล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรแล้วมัน เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งพระวรากายให้เที่ยมตรงห ล, ลับตานึกภาวนาอนาปารลมหายใจละก่อนที่จะนึกบริกรรมภาวนาพระองค์ตั้งสัจจะ อธิฐานลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะไม่เหมือนก่อนๆถ้าไม่ได้ตัดสดูเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นมาแล้วก็จะเอาเทนี้เป็นที่ตายไม่ไปตายที่อื่นสละชีวิตลงไป คือจะไม่ลบไปแสวงหาบิณฑบาตมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอีกยอมอดตายดีกว่าใจมันไม่กล้า mm hmm. แต่ถ้าหากว่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะเสวยอาหารช่วยมนุษย์และเทวดาอินกรมต่อไป พระองค์ก็นั่งภาวนาแล้วเมื่อนั่งภาวนาแล้วกิเลสมานสังขารมานขันธามานหมายความว่ามานทุกอย่างล่มมาละมันลบแทนแก้วพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่หวั่นไหวได้ตั้งใจไว้แล้วว่าตายนั่งตาย กำหนดลมเข้าออกตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ทํเพราะเป็นวิธีการอย่างพวกเราเอาจริงมันลมเข้าก็โล่ลมออกก็กำหนดโลกจิตใจดวงผู้โลมั่นโลอยู่ที่ลมเข้าออกเคยคิดไปห่วงบ้านห่วงเยือนห่วงหอปราศาตร์าดมรเทียนไม่ให้ไป โยที่ลมเข้าลมออกมีตลอดเวลาพอจิตสงบระ ง, งับลงไปบ้างก็เนึกถึงความตายไดด้วยลมเข้าลมออกนี้บอกแห่งความตายถ้าลมหายใจเข้าไปนี้ออกมาไม่ได้เราก็ตายเข้าและออกเป็นที่ตายได้เนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจ จิตใจก็ยิ่งมั่นคงลงไปสบงบหลับนับเยือกเจ็นสบายไม่ทอแท้ในหัวใจใ จ, จิตใจปลอดโปร่งไปโดยลำดับในคืนวันนั้นและค่นคืนไปประมาณนั้น จ, จิตใจของเพระ อ, องค์ก็กล้าหาญสามาก ตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภได้ตัดกิเลสความหลงได้ตัดกิเลสพันธาตันธา1อยแปดได้คือจะไม่ทำตามอานาจกิเลสโดยเฉพาะคือกิเลสลาะตันธาเป็นตัวการสำคัญที่สร้างรูปสร้างนามให้พระองค์กลมดี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 ตายเมื่อใดก็ไม่ต้องกลัวเพระองค์เตือนว่าลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายทันตายเนีภายในร้อยปีคนในสมัยนั้นไม่เกินร้อยปีเกินก็ไม่พ้นจากความตายต้องตายแน่แน่ จิตของพระองค์ก็เรียกว่าสามารถอานหานตัดได้ขาดไม่ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารไม่กลัวว่าใครจะมาติดตีเนนทาไม่มีเสื่อมเสียอะไรใครจะว่าดีท่านก็ไม่ไปสนใจใครจะว่าร้ายให้พระองค์ก็ไม่สนใจ ตัดกิเลสความโกรธอยู่ในใจมันหมดสิน้นตัดกิเลสลาคะตัณหาในใจของพระองค์เอาจนหมดสิน้นตัดกิเลสอวิชชาความไม่รู้ออกหมดจิตของพระองค์ก็รู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีทุกอย่างนี้อย่างนี้ความเจ็บปวดทุกขเวทนาหรือว่า มันซาอย่างใดอย่างหนึง่งในร่างกายของพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านไม่ยึดไม่ถือก็ได้ตั้งใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ตรัสรลภเอาที่นี้ตายถ้าได้ตรัสรลภจรจะยังชีวิตต่อไป คือพระองค์เอาชีวิตแรกออาความตรัสโลเป็นประพุติเจ้าไม่ใช่ได้ง่ายๆแม่พระสา ว, วกเจ้าทั้งหลายในรัางพุทธกาลท่านก็เอาชีวิตแรกถ้าไม่เอาชีวิตแรกเนี่ยเจ้ากิเลสมารสังขารมานขันธมารมันคอยหลอกลวงอยู่เสมอ กลัวเจ็บยจดหลอเล็กน้อยก็กลัวมันจะเป็นมากกนเจ็ดมากกลัวมันจะตายพระองค์เราว่าไม่ยึดไม่ถือมันจะตายก็เป็นเรื่องของธาตุสี่ขันห้ามันตายจิตพระองค์ไม่ต้องย่อท้อกำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกจนจิตใจสงบตั้งมัน่น ตัดกิเลสราคะตัดกิเลสโทสะตัดกิเลสมหะอวิชาตัณหาเอาจนหมดสิน้นเมื่อตัดละกิเลสตัณหาได้แล้วก็ละวาสนาอากินสิ่งที่เคยเป็นมาที่ไม่เรียบร้อยก็เรียกว่าวาสนาเลิกละได้หมด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 จิตใจของพระองค์ก็โล่งโปร่งเย็นสบายไม่ทุกไม่ร้อนกับคนอื่นสัตว์อื่นแม้ร่างกายสังขารของพระองค์ก็ไม่เย็ดไม่ถือแต่เจ็บปวดทุกขเวทนาก็เป็นธรรม ด, ดาเนื้อหนังมังสังของมนุษย์ ที่ยังไม่ตายก็ต้องมีความเจ็บปวดทุกขเวทนาะแต่พระองค์ไม่ยึดมาพระองค์เจ็บพระองค์แก่พระองค์ไข้พระองค์ตายวันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นของเขาตัาหากช่างมันเถิดจิตใจที่พระองค์ภาวนาตัดละอีแลตันหามานะทิฏฐินั้นสําคัญกว่า ทีนี้จึงให้พากันนึกถึงพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าคือน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านะั้นเป็นพุทธพุทธโธจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือหรือคำพูดความคิดกิจใจของพระองค์ไม่เกี่ยวเกาะกังวลใน ความสุขความสะดวกสบายที่ว่ามนุษย์มันว่ามีความสุขพระองค์ไม่เอ า, อาที่ว่ามนุษย์มันว่ามีความสุขพระองค์ไม่เอาตัดได้หมดแล้วตัดได้จนขาดสะบั้นหั่นแหลกแล้วใครจะเอาไปนาช่างเถิดข้าไม่เกี่ยวนั่นแหละจิะอุติเจ้า ฉนั้นจิตใจเราทุกคนให้เหมือนนั้นเหมือนพระองค์ไม่เหมือนมันจะวุ่นวายไปถึงไหนอีกตั้งใจลงไปผู้ใดบวชเป็นขาวก็ให้ใจขาวเหมือนผ้าขาวให้มันดำผ้าขาวมันขาวใจมันดำเป็นฐานไม่ใช่ไม่ได้ ตัดกิเลสความโกรธไม่ขาดไม่ได้เป็นใจดำตัดกิเลสความโลภไม่ได้เป็นใจดำเป็นแม่ใจดำไม่ใช่แม่ขาวแม่ชีเพราะนั่นวันนี้นนนตัดเนี่ยมันขาดกิเลสความหลงแม่มีอยู่ในจิตให้ใสสว่าง ไม่ว่านุ่งดำนุ่งสีนุ่งขาวเอาใจขาวเป็นหลักใจภาวนาใจขาวไม่มีความโกรธไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเยาว่าให้อภัยทานเป็นการให้อภัยแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เขาไม่ดีถ้าเรามีปัญญาพอสอนเขาได้สอนไปสอนเขาไม่ฟังก็ไม่โกรธเฉยให้ได้ทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งเนเนเน่นน้อยเนน ใ, ใหญ่ตัดกิเลสให้มันหมดโซเฟอร์โซฟาตัดกิเลสให้มันหมด งใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตัดได้ละไท้วางได้เรามันคาอะไรเกียนเพ่งดูในจัดจิตใจของตนเอาให้มันลูกจับลูกแจ้งลูกจริงเลิกได้ละได้มันจะวุ่นวายขนาดไหนก็ให้มันวุ่นวายไป ใจิตใจดวงผู้ลูกอยู่ในตัวเราจะต้องตั้งให้มัน่นเอาให้จริงแล้วตั้งใจลงไปให้มันเต็มที่นั่งภาวนาให้มันได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ห้มันเลยความเจ็บความปวดทุกขเวทนาต่างๆ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 ละกิเลสในใจไม่ขาดสบั้นหันแหลกไม่ไปถอยความเปลี่ยนพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมกพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพ ร, ระอริยะสงสาวกเป็นที่พึ่งพึ่งแล้วก็ทําตามอย่างพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกในครั้งพุทธตาไม่ว่าหญิงว่าชาย ไม่ว่ากัลยาฮัตและนักบวชเด็กเล็กขณะอายุขนาดเจ็ดขวบท่านกบขวันาตัดกิเลสละกิเลสได้เป็นพระโซดาพระสกิทาคาอนาคาอารหันตา์าสีที่พระสงฆ์ทัานนุ่งห่มนัม่นคือว่าสีเหลืองคําว่าสีเหลืองไม่ได้หมายถึงว่ามันเหลือง เป็นสีใบไม้แก่สีเหลืองใบไม้แก่ธรรมดาใบไม้แก่มันมีแต่จะล่วงหล่นลงมาสู่แผ่นดินสีนักบูนี้คือว่าเป็นธงชัยพระอรหันต์ไม่สดชื่นอยู่ในใบไดามันแก่มันหล่นลงมามันตาย ดันั้นจงภรวานาเอาจริงตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดมีขึ้นน้ำใจอันใดมันกลัวเจ็บกลัวไข่กลัวเป็นกลัวตายไม่ให้เีรพระพุทธเจ้าสอนว่าฆ่ากิเลสให้มันตายค่ายกิเลสให้มันออกละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไป เอาให้ได้ทำให้ได้จึงชื่อว่าสาวโกเป็นสาวกของเราตะถาคตทานละกิเลตันหามานะในจิตใจไม่ออกไม่หมดไม่สิ้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราเป็นลูกศิษย์พระเทวทัตเป็นลูกศิษย์ของพญามาร ผู้กังวลบุ่นวายผู้เบียดเบียนผู้ฆ่าผู้ทำลายมาร น, นั่นคือผู้ฆ่าใครไปยินดีพอใจกับกิเลสมารสังฆาลมารมารตัวนี้คือมันคอยฆ่าคอยทำลายคอยจีดกันจะภาวนาทำความเพียรเมื่อใดมันคอยกันจีดกันไว จะนั่งภาวานาตอนเช้าก็ยังเช้าอยู่ยังไม่ภาวานาอันจะนั่งวันละภาวานาตอนสายก็ว่ามันร้อนกลางวันก็ว่าเงือเหือไหลไข่รอดย้อยนั่งไม่ได้กลางคืนก็เลยว่าไขรหลับใครนอนพวกมารต่างนั้นอย่าไปเชื่อไปหลงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจ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 ไม่ตาย <c oughs> เมลาหนุ่มจะต้องตายเวลากลางคนเลยกลางคนไปเป็นคนแก่คนชราไม่มีทางที่จะหลบดีเหมือนกับไม้ต้นไหนที่มันใกล้่องน้นำไหลนเ้เซ้อทุกปีทุกปีต้นไม้ต้นนั้นย่อมค้นลงมาตายคนมีอายุแก่ชราสี่สิบห้าิบไปหน้า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 ย็ดใยมายึดมาถือว่าตัวกูของกูตัวฆ่าของฆ่าตัวเราของเราเขาว่าเป็นของเราที่ไหนถามดูกะโลผมเป็นของเราไห่มันก็เฉยไม่วะขนเป็นของเราไหมมันก็เฉยอาการสามสิบสองเป็นของเรามันเฉยทั้งนั้นเขาไม่วะใครเป็นคนวา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 ไม่ให้ผู้ปฏิบัติภาวนาละดิเ็กจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องผัวพันอยู่ในโลกในวัฏสงสารตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายมันโขกไว้ตันหาทั้งหลายมันมัดไว้ ตัณหาลักโลกเหมือนเชือกผูกคอตัณหาลักผัวลักเมยเหมือนปอผูกศอบตัณหาลักวัตถุเข้าของเหมือนปอกซุกตีนเหมือนมัดตีนมัดมือไปไหนไม่ได้นั้นต้องดูพิจารณาให้ดีถึงข่าวจะต้องภาวนาตัดละมันเด็ดขาดลงไปแล้วก็เอาให้มันจริง ต้องละลึกถึงพระองค์ผู้เป็นทรัพพันโยพุท ธ, ธะพระองค์ละได้หมดทุกอย่างทุกประการทำไมเราจะมาคาอยู่ข้องอยู่ติดอยู่หลงไหลยอยู่แค่ปลายลิ้ยนยินดีพอใจอยู่แค่ลดอาหารการกินยินดีพอใจอยู่ในโลก ยินดีพอใจอยู่ในเสียงยินดีพอใจอยู่ในกลิ่นในรสในโผฏฐะธรรมาลมมาหมักหมมอยู่ในกิเลสกามวัตถุ ก, การมตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วปูนับปูนังมาเกิดมาตายไม่จบไม่สิ้น ยังจะมาเกิดต่อไปวุ่นวายต่อไปอกีกไม่เอานั่งภาวนานั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาละกิเลสเดินแมตไหนก็ภาวนาละกิเลสเอาให้หมดเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาละกิเลสให้มันหมดมันสิ้นยังเป็นมัวสงสัยนั่นสงสัยนี่อยู่ มาแม่แตัวมารกิเลสข่ามันตายหมดทำลายให้หมดสิน้นเอาให้จิตใจเข้าถึงอาสวะคยญาณจนถึงญาณอันรู้ได้ว่าอาสวะกิเลสในใจได้หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลาย แค่นั้นอย่าไปกลัวตายมันไม่พ้นตายแล้วเลยกล่าวไว้แล้วว่าไม่ตายเมื่อเด็กมันตายเมื่อนมไม่ตายเมื่อนุมมันไปตายกลางคนไม่ตายกลางคนมันก็ไปตายแก่ะลามันจะตายแบบไหนก็เท่าเท่ากันทานละกิเลสราคะโทสะไม่หมดตายแล้วมันก็เกิดมาอีก ถ้าตัดละกิเลสตัณหามานะทิฐิหมดสิ้นตายแล้วมันก็เข้าถึงซึ่งนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกในพบต่างๆต่อไปอีกพุทธสาวกในครั้งพุท ธ, ธาลท่านภาวนาละกิเลท่านไม่ใช่โบสดมาเพื่อเพิ่มกิเลสขึ้นเพิ่มกิเลสให้มันมาก พระพุทธเจ้าท่านไม่เพิ่มท่านให้ลดให้ละออกไปให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปผลที่สุดเอาให้มันหมดสิ้นอันความคิดว่าละไม่ได้วางไม่ได้ถอนไม่ได้ไม่ต้องว่าอันนั้นมันความคิดของคนโบราณดึกดำบรรคนขี้เกียจขี้ข้านภาวนาต่างหา พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ท้อถอยท่านภาวนานละกิเลสจนหมดสิน้นแล้วก็มาจ้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าข้าพระองค์ละกิเลสได้หรือไม่ใจของตัวเองมันมีกิเลสอะไรอยู่มันก็แสดงอยู่นั้นใจความโกรธยังมีอยู่มันก็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 แห่งการปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาธรรมละกิเลสตัดกิเลสได้แล้วนั่งแบบไหนมันก็เป็นภาวนาหน้าโอกาสนี่ไปเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตอยู่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงก็ไม่มีจงพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบจิตนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้ทุกทุกคนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อย ตั้งใจบริกรรมเอาพุทธคุณเป็นอารมณ์พุทธคุณคนพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีวิเศษผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่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 แค่นั้นเราต้องเจริญนึกถึงกราบไหว้บูชาด้วยเสียงกล่าวเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นยากที่จะได้มาอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละคราข่าวเรามีชีวิตได้กราบไหว้บูชาคุณพระพุทธเจ้า ได้กราบไหว้คุณพระธรรมได้กราบไหว้คุณพระอริยสงฆ์เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลแม้บุคคลพูดนั้นไม่ว่าใครๆในโลกนี้เขาตายไปเมื่อใดเวลาใด ก็จะไม่ไปโซอบายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรฉานเขาเหล่านั้นจะไปโ่สวรรเทวโลกพ ม, มโลกจนถึงนิพพานเพราะความเลื่อมใสศรัทธาเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทางกายวาจาจิตตามพระพุทธเธจ้า พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรเขาก็ทำตามอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเวลาเรานั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ต้องคิดไปหาท่านอยู่ที่โน้นที่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนว่าให้น้อมเข้ามาอยู่ในใจ พระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่เรากราบไหว้บูชาละลถึงพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่นี้ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาส ง, งบเข้ามาตั้งให้มัน่นส ง, งบโย่ให้ได้ทุกเวลา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 เมื่อผู้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ก็ภาวนาอยู่ที่นี้สงบกายสงบวาจาสงบจิตอยู่ที่นี่นั่นแหละได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีโยภายในพุทโธพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหนองค์ของท่านไปสู่นิพพานเป็นเรื่องของท่าน ส่วนพระธรรมพระวินัยข้อห้ามต่งตางๆมีอยู่ในโลกมีอยู่ในพุทธศาสนาพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจะได้นำมาภาว น, นาทำความเกียรละกิเลสเพราะว่ากิเลสความโกรธ กิเลสความโลภกิเลสความหลงนั่นมันมีอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของคนของสัตว์ทั้งหลายของเทว ด, ดาอินพรหมใครๆก็ตามถ้ายังอยู่ในโลกนี้กิเลสเหล่านี้มันจะหุ้มหอ่อล้อมลอกกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นอยู่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติบูชาภาวนา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 จงยกจิตใจของตนให้สูงส่งสูงก็คือว่าไม่ตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นแหละเรียกว่าสูงส่งก็คือว่าส่งออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต้องไปยึดเอาถือเอากิเลสราคะโทสะโมหะในโลก จงเป็นผู้ปล่อยวางเลิกและวางเฉยให้ได้ทำใจให้สงบตั้งมัน่นรวบรวมเอาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวใน ใ, นใจของเราให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายในจิตอยู่ภายใน ความว่าเวาวิตกวิจารณ์ก็ไม่มีเรียกว่าพุทธโธอยู่ในดวงใจพุทธะพุทธโธอยู่ในดวงใจไม่ต้องไปหาที่อื่นหาไปที่อื่นหลงไปที่อื่นนอกจากจิตใจของตัวเองชื่อว่าเป็นคนหลงคนผานคนเมาคนไม่ภาวานาคนไม่ตั้งอกตั้งใจ ไม่ทำใจของตัวเองให้มีความสงบหลงับจึงได้เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิไม่มีที่จบที่สิ้นได้เรีย ว, ว่าตัณหาพาเป็นไปในใจมนุษย์คนเราคือกามะตัณหาความรักใคร่พอใจในกามทั้งหลาย ภาวะตันหาความยินดีพอใจในพบต่างๆในที่อยู่อาศัยวิภาวะตันหาเรียกว่าตันหาไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อะไรตอนนี้อะไรมันจุกจิกอยู่ตลอดการไม่เลิกละไม่ตัดให้มันขาดเมื่อตันหาเหล่านี้มันไม่ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปแล้ว ที่เศราเหงานอนก็นอยู่ที่นั่นฟุ้งซ่านลำคาญก็อยู่ที่นั่นการมัสันก็นอยู่ที่นั่นพยาบาทก็อยู่ที่นั่นทีนามิตะความร่วงเหงาเหงานอนก็นอยู่ที่ใจ <c oughs> <c oughs> ความสงสัยในธรรมความสงสัยในโลกก็สงสัยอยู่อย่างนั้นเพราะว่ากิเลสนิวร์มันมีอยู่ ความฟุ้งซ่านลำคาญคือว่าไม่ตั้งใจภาวนาจริงๆถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆเนิกเอาพุทธคุณทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยู่จะไปวุ่นวายอะไรภายนอกนั้นพุทธโธอยู่ที่มีพุทธโธอยู่ที่ใจพุทธโธอยู่ที่กายพุทธโธอยู่ที่วาจาพุทธโธอยู่ที่จิตใจสงบ เจตใจตั้งมั่นจิตใจเชื่อเลื่อมใสในพุทธศาสนาจริงๆอยู่ที่นี้ปัจจตังเวทิตพโพวิญโยหิวิญโยชนทางหลายผู้ปฏิบัติทางหลายพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำพอิตเจตใจดวงผู้รู้โยที่ไหนก็ต้องมาสงบระ ง, งับอยู่ที่นี้ ทำความเปลี่ยนแ peng yo ในจิตในใจของตัวเองดีกว่าปล่อยให้ฟุ้งซ่ า, ลานลาคาญไปตามอํานาจกิเลสความโกรธบังคับให้เป็นไปกิเลสความโลภบังคับให้เป็นไปกิเลสความหลงบังคับให้เป็นไปเคยไม่ตั้งใจรวบรวมจิตใจของตัวเองคิตใจมันก็ ไม่มีทางสงบประงับได้ทาหาวะรวบรวมกําลังเข้ามาตั้งภายในพุโทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกและลมหายใจเข้าออกก็ให้มองเห็นว่าอายุหรือวิชีวิตของสัตว์ทั้งไลยมันห้อยอยู่แค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เอง ตราบใดลมหายใจยังมีอยู่ก็คือว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นเองถ้าลมหายใจนี่แหละขาดสับั้นหันแหลกลงไปเมื่อใดเวลาใดแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะเหลือแต่สิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าพุพังเท่านั้นเองพุทโธไม่ทะออยู่อนาคตพุทโธไม่ทะออยู่อาีต พุทธทอยู่ในปัจจุบันพุทธอมีอยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้แนวกราบไหว้บูชาพุทธทอยู่ในดวงใจเมื่อพุทธทอยู่ในดวงใจใจของเราก็ให้มาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจนี้วควบคุมรักษาเอาดวงจิตดวงใจของตนไม่ให้เกิดความสรมาทโมเมา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 รูปร่างกายของคนเราที่เรามานั่งอยู่นี่ก็คือว่าธาตุดินธาตุดินก็เหมือนดินภายนอกนั่นแหละธาตุน้ำก็เหมือนน้ำภายนอก